รัตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันาต์วรกที่สปพระสูตรที่ส1เอดพัทเทกรัตรสูตรสูตรว่าด้วยราตรีเดียวที่ดีพระผู้มีพระภาคประทับนชเชตวนารามตรัสแสดงอุทเทศหรือบทตั้งและวิพังคำอธิบายหรือการแจกแจง เกี่ยวกับบุคคลผู้มีราตีเดียวอันดีโดยใจความคือไม่ให้ติดตามเรื่องล่วงมาแล้วไม่ให้หวังเฉพาะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้เห็นแจ้งปัจจุบันให้รีบเร่งทําความเพียนเส้นในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งเพราะจะผัดเพี้ยนต่อมฤตยู่ผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่ได้ คนที่มีความเพียนอย่างนี้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่ามีราตีเดียวอันดีหรืออันเจริญการไม่ติดตามอดีตการไม่หวังเฉพาะอนาคตตรัสอธิบายว่าไม่ให้มีความยินดีเพลิดเพลินในอดีตและอนาคตนั้นพระไตรปิฎกเล่มที่14ปพระสูตรที่32อานันทพัทเทก ร, รัตสูตร สูตรว่าด้วยพระอนนท์อธิบายพัทเทกรัตตสูตรพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามสมัยนั้นพระอนนท์กล่าวธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในโรงฉันหรืออุปทานศาาลาโดยอธิบายทั้งบทตั้งและคำอธิบายแห่งพัทเทกรัตตสูตรพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัถามทราบความทรงรับรองคาอธิบายนั้น พระไตรปิฎกเล่มที่14พระสูตรที่สามสามหากัจจานะพัเทกรัรตสูตรสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะอธิบายพัตเทกรัรตสูตรพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามมีเรื่องเล่าถึงพระมหากัจจานะแสดงธรรมอธิบายขยายความแห่งพัตเทกรัรตสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ย่อๆให้พิสดาร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็ตรัส ช, ชมเชยและว่าถ้าถามให้ทรงอธิบายก็จะทรงอธิบายในทํานองเดียวกันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีพระสูตรที่สามสิบสีโลมะสักกังขิยะสูตรสูตรว่าด้วยพระโลมะสักกังขิยะพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนาวรามเรื่องเล่า ว, ว่า เทพบุตรถามระโลมะสักกงคิยะเรื่องพระเทกะรัตสูตรทั้งบทตั้งทั้งคำอธิบายท่านตอบไม่ได้จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามให้ทรงแสดงทั้งบทตั้งและคำอธิบายใจความก็อย่างเดียวกับสูตรที่ส1เอ